มันมีสามตัวที่เรามักจะตั้งดีสงบมีสุขดีสงบและมีสุขทำไงชั้นจึงจะมีให้จิตชั้นดีให้จิตชั้นสงบให้จิตชั้นสุขเราตั้งเป้าหมา ย, ยางี้ไหมรับมาตรงๆ ร, <c oughs> รับมาสิ ด, ดีดี <c oughs> อย่าเป็นผู้ห้ายปากแข็งนะเราเวลาตั้งเป้าหมายในยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามักจะตั้งเป้าหมายว่าทาอย่างไรชั้นจะดี ทำไรท่านจะสงบทำยางไรท่านจะมีความสุขตั้งเป้าหมา ย, ยางี้กันแทบทั้งนั้นอัตมาก็เป็นพอเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยทำให้แนวทางในการปฏิบัติของเราเนี่ยเพี้ยนไปพระพุทธเจ้าให้เรามาเรียนให้ฉลาดมาเรียนให้ฉลาดให้รู้ความจริงไม่ใช่ตั้งเป้าหมายว่าทำยังไรจะสงบนา น, น, าน ทำไงให้มันดีตลอดไปให้ทํำไงให้มันสุขนิรันดร์ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้นะเวลามันฟุ้งซ่านไปเราก็จะไม่ชอบมันเพราะความฟุ้งซ่านเป็นศัตรูของความสงบเวลามีกิเลสเกิดขึ้นมาเราก็จะไม่ชอบมันเพราะกิเลสเป็นศัตรูของความดีมันมีเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ไม่ชอบมันเพราะมันเป็นศัตรูของความสุขของเรา เราก็ปฏิเสธที่จะรู้สิ่งนั้นแบบซื่อเราตั้งตัวเป็นศัตรูกับสิ่งเหล่านี้แล้วไม่รู้มันเฉยๆเรารู้แบบศัตรูมึงจะมามึงมาแล้วกูจะจัดการกับมึงตั้งตัวเป็นศัตรูตั้งตัวเองเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นศัตรูกับสิ่งที่กาลังปรากฏอยู่ไม่ยอมรับตามความเป็นจริงทําให้ดูมันอย่างไม่เป็นกลางเข้าใจไหม ถ้าเราเพียงแค่ตั้งเป้าหมายมายว่าฉันจะเรียนรู้พระพรทธเจ้ให้เราเรียนรู้ท่านบอกว่าเราควรเรียนรู้3ามอย่างนะเรียนรู้เรื่องศีลเรียนรู้เรื่องจิตเรียนรู้เรื่องปัญญาเรียนรู้เรื่องศีลคือทำอย่างไรการแสดงออกทางกายทางวาจาจะไม่ไปเบียดเบียนโลกและคนที่อยู่กับเราคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย เวลาเราคบกับคนนี้ทำาะไรเราจะไม่โกกเขาทำาะไรจะไม่ทำร้ายเขาทำาไรเราจะไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของเขาเราทำาไรจะไม่แย่งคนรักของเขานี่คือรักษาศีลเรียนรู้ทำยงไงที่เราจะมีปฏิกยากับโลกและคนรอบข้างโดยที่ไม่เบียดเบียนเขาเรียนเรียนไปเรียนอย่างนี้แล้วก็มาเรียนเรื่องนามารมในใจของเราคือเรียนเรื่องจิตทอยางไรเราจะเรียนเรื่องจิต ให้เข้าใจไม่ใช่ทำอย่างไรจะรักษาจิตให้ดีให้สุขให้สงบไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรียนเรื่องใจแล้วมันจะดีจะสุขสงบเองและเป็นทางผ่านจิตที่ดีที่สุขที่สงบจะเป็นจิตที่มีคุณภาพดีพร้อมพอที่จะเรียนให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงต้องส่งต่อให้ถึงปัญญานะท่านให้เรียนสามอย่างเรียนเรื่องจิต ผลของมันคือจิตจะมีคุณภาพคือดีสุขสงบแต่เดี๋ยวมันก็เลวทุกข์ฟุ้งซ่านไม่เที่ยงจิตนี้ไม่เที่ยงมันไม่รักดียอมรับซะดีดีว่าจิตมันไม่รักดีเราเนี่ยอยากให้มันดีแต่มันไม่ดีด้วยบังคับมันไม่ได้เราอยากให้มันสุขมันไม่สุขด้วยเดี๋ยวก็ทุกข์เราอยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบกับเรามันก็ฟุ้งซ่านก็รับไปตามตรงว่า เมื่อกี้นี้มันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้นี้มีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้มีโทสะเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้มีราคะเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้มันฟุ้งซ่านไปไม่สงบรู้ตามตรงยอมรับยอมรับมันที่เราเรียนไม่รู้เรียนไม่ได้เรียนไปแล้วเครียดไปเพราะเราไม่ยอมรับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าที่มันทุกข์เพราะว่าไม่ยอมรับความจริงที่มันเรียนแล้วไม่เห็น ไม่เห็นตามที่พี่เลี้ยงบอกไม่เห็นตามที่ครูบาอาจารย์บอกเพราะว่าเราไม่ยอมรับไอ้สิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านี้เราตั้งเป้าหมายไว้ผิดอยากให้ดีอยากให้สงบอยากให้สุขเนี่ยรันดอนนานๆโดยที่ไม่สร้างเหตุหรือสร้างเหตุก็เหตุผิดๆไปบังคับเอาไว้บังคับไว้พอหมดแรงบังคับทุกอีกฟุ้งอีกไปกดเอาไว้พอหมดแรงกดก็ฟุ้งซ่านอีก อย่างนี้นะเรียนรู้ไปตามความจริงว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าตั้งเป้าหมายว่าขอเรียนขอเรียนคือเรียนเรียนคืออะไรเฝ้าดูเป็น observer เป็นผู้เฝ้าดูไม่แทรกแซงมันถ้าแทรกแซงแสดงว่าเราเข้าไปก้าวไก่้าไปก้าวไก่ในงานที่เรากําลังศึกษาอยู่เนี่ยสิ่งนั้นก็จะผิดเพี้ยนไปเราจะได้เรียนสิ่งที่ไม่จริง เรียนสิ่งที่ไม่จริงก็ไม่เกิดปัญญาจริงถ้าอย่างนั้นเราถอยออกมาเป็นผู้ดูเกือไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปประคองให้มันดีอยู่นานๆไม่เข้าไปแทรกแซงว่าจ ะ, จะต้องดีไม่เอ็นเอียงว่าอธิบายเข้าข้างตัวเองเข้า <c oughs> ใจไหมบางทีอธิบายเข้าข้างตัวเองเหมือนมีเหมือนมีปัญญานะเหมือนมีปัญญาแต่ขณะนั้นเนี่ยกำลังปรุงแต่งอธิบายอะไรให้มันสวยงามเป็นพวกโลกสวย <c oughs> แต่ไม่จริง